ก็เราหลายๆคนนะชอบพาลูกมาวัดก็ดีนะให้เด็กมันคุ้นกับวัดไว้อย่าไปบังคับให้มันภาวนาให้เด็กถ้าเราบังคับมากเดี๋ยวมันดื้ออย่าไปบังคับมันมามาวิ่งเล่นมาเลยไม่เป็นไรให้มันคุ้นคุ้นกับวัดไว้แต่ช่วยเตือน ลูกหลานหน่อยนะพาเด็กเล็กๆมาวัดนะอย่าให้มันลังแก่สัตว์เนะมื่อวันสิ้นปีเนะี่ยมีเด็กเล่นกันอยู่ที่ลานจอดรนถะจับแมวแมวขาวๆเนะคเห็นไหมตัวเกดหมนะูว่ามันนะเดี๋ยวมันงอนไปจับใส่ทางขยงสีเหลืองๆนะ ถังก็สูงนะแล้วมันมีฝาปิดแล้วบูชาเปิดฝานะแมวใส่ปิดฝาไว้แล้วก็ไปเล่นลืมไปเลยนะแมวก็าหายแล้วก็โทษงูเหลือมถงใส่งูเหลือมอาไปกินนิสัยไม่ดีมันมันถูกขังตากแดดอยู่สองวันถังนั้นนะ พอได้ยินเสียงคนเดินมันก็พยายามจะร้องนะเสียงก็แหบๆคงเส้นเสียงอักเสบก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่า <laughs> ไม่ได้กินน้ำํำขาดน้ำสองวันตากแดดอยู่สองวันสองวันหนึ่งคืนเด็กคนงานเดินผ่านไปกันได้ยินเสียงแมวแว่วววนึกว่าคนเอาแมวมาปล่อยที่เดินห า, หาไม่เจอ ในสุดมันก็ยังร้องได้ยินเปิดอยู่ในถังเอาตัวขึ้นมาได้พอเอาขึ้นมาวิ่งไปหาน้ำกินเลยอดน้ำมาสองวันแล้ะถ้าเป็นคนคงแย่แล้วอยู่ในถังพลาสติกตากแดดด้วยนี่อกักขุนให้ผลกรรมเก่าให้ผลกับแมวแต่เด็กมันทำกรรมใหม่ด้วยความไร้เดียงสา เราก็สอนสอนลูกนะไม่ใช่พราะแมววัดหรอกสอนให้มันสงสารสัตว์นะสอนเด็กให้รักสัตว์ให้เมตตาสัตว์สมัยก่อนรลวพ่อเด็กๆผนะู้ใหญ่เขาก็สอนนะถ้าเราหลังแกสัตว์เนี่เราถูกตีเลยเล่นกับแมวแรงๆอะไรเนี่ยถูกตีผูนะ้หใหญ่สอนตีเราก็ถามเรานะเจ็บไหมนะเจ็บสิ เราไปเล่นกับแมวแรงๆ แ, แมวก็เจ็บเหมือนกันเขสอนนะเราก็สงสารสัตว์แต่หลังๆพยายามไม่กระทบกระทั่งอย่างจะเดินจะอะไรเนี่ยเราคอยระวังบางปีเนี่ยหอยระบาดในวัดเต็มไปหมดเลยเดินระวังมากมากเลยนะโมระวังตัวนี้ก็ไปเหยียบตัวนี้อะไรอยเงี้ยนะจีก็ดูไม่ทันเยอ้ยายไปหมดนะ ทีเห็นมันเต็มถนนนะเราก็เดินลงริมถนนในใบไม้ข้างถนนกวาดใบไม้ไว้เหี้ยพ่าแม่ดังกรอบอา้าวอยู่ในใบไม้ด้วยตั้งหลายตัวนะแต่ว่าเจตนาทำร้ายสัตว์ไหมมันไม่มีหรอกสงสารสัตว์พ่อแม่ปูย่ตายายสอนมาตั้งเด็กๆไปเล่นแมวแรงๆยังถูกตีเลย สอนลูกเรานะให้มันรักสัตว์รักธรรมชาตินะไม่ทำลายต้นไม้ถ้ะใจเด็กที่มันรักธรรมชาตินะั้นจะอ่อนโย น, นจะอ่อนโยนถ้าเล่นกับสัตว์เหมือนเล่นกับตุ๊กตาเล่นกับหุ่นยนต์ไร้ชีวิตนะแบบนึกจะฉีกขาก็ฉีกอนะไรอย่างนี้ อย่างนั้นพอโตขึ้นมาพวกเข้าเล้าค่อยๆสอนไปเข้าส่งือนบ้านให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนใครจะส่งก็ส่งใครไม่ส่งก็เอาไม้ส่งไปขอเรียนถามนะคะว่าที่ที่ปฏิบัติเจริญภาวนาบอกว่าได้บุญสูงสุด กว่าการให้ทานที่ที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือเราให้ทานแล้วเรากา็ได้กับพบภูมิที่ต่ํากว่าก็ได้รับส่วนบุญ ส, ส่วนบุญนั้นไปแต่ว่าการภาวนาดิฉันยังไม่เห็นว่าภพภูมิที่ต่ํากว่าหรือญาติาพี่น้องที่สูญเสียไปแล้วจะได้รับส่วนบุญ ส, ส่วนบุญตรงนี้ บุญมันได้ทั้งตัวเองนะแล้วบุททิศให้คนอื่นมันก็ได้นื่องเราทำทานเนี่ยเราสบายใจเราก็จะได้ไวุ่นเวียนเกิดเกิดตายตา ย, ตายอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขหน่อยได้ทำทานแต่ถ้าเราเจริญปัญญาเจริญภาวนาแค่ภาวนาเนี่ยถ้าทำสมถะได้นะขึ้นเป็นพรหมนะสูงวัจฉริย แล้วถ้าเจริญวิปัสสนาได้บรรลุมรรคผลได้เทวดายังกราบเลยอันนั้นสำหรับส่วนตัวนะบุญจากการภาวนาเจริญปัญญาเนี่ยนำเราไปถึงมรรคผลนิพพานได้การทำทานการถือศีลการนั่งสมาธินำไปสู่พบภูมิที่สบายนี่สำหรับคนอื่นสำหรับสัตว์อื่น เราคิดว่าต้องไปใส่บาตรผีถึงจะได้กินใช่ั้มใครได้กินพระได้กินผีได้กินหรือเปล่าไม่แน่นะแต่ที่แน่ๆคือพระกินพระฉันเวลาเคยได้ยินไหมเวลาคนไปทำบุญใส่บาตรทำอะไรเนี้ยพวกผีชอบมาขอส่วนบุญไม่ออกไหม ส่วนคนภาวนานะผีก็ขอส่วนบุญนะเทวดามานุโมทนาบุญนี่ยิ่งกว่าผีอีกนะขนาดเทวดาพลมอะไรนี่ก็ยังมาอนุโมทนาเลยเพือนบุญมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยถามาช่วยสัตว์โลกได้ไหมช่วยได้มหาศาลเลยอย่างถ้าเราจิตของเราดีจริงๆเราแผ่เมตตาออไปนะกระแสความร่มเย็นนี่กว้างกวาง หรอถ้าเราแผ่ส่วนบุญออกไปนะสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำแล้วอี้แผ่ออกไปไม่มีประมาณเนี่ยมันเหมือนแสงของพระทิ์พระจันทร์นะสว่างออกไปสัตว์ทั้งหลายที่สัมผัสได้จะเกิดความเบิกบานใจแล่อบุญจากการภาวนาเนี้ยใหญ่มากเลยยิ่งบุญตอนเกิดมรรคผลเนียใหญ่มากๆเลย เวลาเกิดอริยมรรคขึ้นมานะเกิดอริยมรรคอริยผลเกิดเนี่แหละพวกเทวดาเนี่ยนะตื่นเต้ น, ตนถึงขนาดตะโกนบอกกันเลยนะว่านี่มีพระอริยะเกิดขึ้นอีกแล้วจนะตะโกนบอกต่อต่อต่ อ, ต, อต่อกันไปจนถึงพรห ม, มโลกนะเพราะฉั้นมันเป็นบุญที่ใหญ่ขนาดเทวดาพรหมอะไรนะี่ก็ยังร่าเริงเลยเพะฉั้นมันคนละชั้นกันนะ ถามว่าทำทานดีไหมดีแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรียกไปเรื่อยๆเพ้อเพอไปควรละชั้นกันเนะปิตีหลวงพ่อไม่ตอบเรื่องอย่างนี้เนะสียเวลาไม่ใช่กรรมฐานแต่ตอบให้หน่อยนมาตรการค่ะหลวงพ่ อ, อะจะขอคนที่แน่ในการปฏิบัติค่ะ ปฏิบัติก็ถือศีลไว้เนาะรักษาศีลห้าข้อพอแล้วศีลห้าก็ดีถมไปล้แล้วก็มีสตินะรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาไว้นั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกวันนะเนี่ยปฏิบัติก็มีแค่นี้แหละถือศีลไว้นะทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาที่เหลือ อ, อ่านใจตัวเองไป ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ดีกว่าเก่าแล้วดูออกพราเ <c oughs> นั่นแหละทำดีทำอีกอส่งไปทำมันสกัดครับการกปฏิบัติผมใช้ดูลมหายใจทําตามที่คุณพ่อได้แนะนำครับได้เห็นการเกิดดับของจิตแล้วก็ รู้ว่าลูกกันามนั้นมันเป็นตัวทุกข์มันมันมันมันเกิดดับอยู่อยู่เรื่อยๆก็คือแบบว่าเห็นเข้าไปเห็นมันนะครับเห็นปัจจัยของการเกิดเกิดจิตที่ว่าเป็นตัวทุกข์โดยมีตัวสังขารเป็นตัวเริ่ม ม, มีตัวพี่ใหญ่เป็นตัวอุปทานครับพอเห็นไม่ว่าสุข หรือว่าทุกข์แล้วสุดท้ายสุขผมเข้าใจว่ามันก็เหมือนยาเสพติดเพราะสุดท้ายมันก็ก็ทุกข์ถ้าเราเราไปคุกอยู่กับมันนานๆนะครับเพราะว่าใจมันเข้าไปยึดตรงนั้นแต่พอเข้าใจสุขตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ธรรมดามันก็เป็นแบบนี้ดวงจิตก็เหมือนกันทุกอย่างมันมันมันเกิดแล้วมันมันก็ มันก็สลายมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรแม้กระทั่งไอ้ตัวที่ไม่มีอะครับแล้วก็ในขณะที่จิตรู้อะครับรู้สิ่งต่างๆมันจะมีติดอยู่ตัวหนึ่งอะไม่รู้มันเป็นคืออะไรอะครับมันจะแอบอยู่อะครับตัวนั้นมันจะแอบอยู่แต่ถ้าพยายามที่จะแบบเหมือนจะเจ้องจะเห็นมันมันไม่โผล่แต่ทํำไปตามธรรมชาตินะครับมันก็จะแอบมาเหมือนมาแอบดูเราอยู่แล้วนั่นแหละอย่าไปจ้องมันเจ้ามันหายไปหมดนะ ลอยมันไปที่ภาวนาใช้ได้นะแต่ว่าปัญญามันล้ำหน้าไปนิดหนึง่งอย่าอย่าไปเพียรานเยอะตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆล้วให้มันเกิดความเข้าใจขึ้นเองนะตอนนี้ปัญญามันล้ำไปนิดนึงุครับไปทำต่อนะทำได้ดีอยู่ใครจาเป็นชยคุยกับหลวงพ่อขอจาเป็นนะ มามาขอโอกาสหลวงพ่อแม่ตาครับก็หลวงพ่อให้ผมดูจิตส่วนใผมดูความรู้สึก<ม>ตรงกลางอก<ม>ที่มันไหวแล้วก็เสียดแทงเป็นหลัก<ม>แล้วก็พักด้วยการสมาธินะครับ<ม>แล้วช่วงสี่เดือนที่ผ่านมามัน <laughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันไปติดตัวรู้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่ง ท, ที่โทรสาพท์หรือแทรกครับ ดูๆแล้วมันมีหงุดหงิดเล็กๆแทร ก, แซกซ่อนๆอนก็รู้เอาไม่ได้ติดตัวรู้ร <นะ S 1> สังเกตไหมตัวรู้ก็ไม่เทีย่ยมเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเห็นเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงตอนแล้วมันเวลาเกิดสภาวะมันเหมือนวิ่งขึ้นไปแปะตัวรู้เราไอ้ที่เคยเห็นว่ามันเสียดแทงเป็นทุกข์อ่ะ มันเบาลงผมก็เลยเหมือนเวลาอารมณ์เกิดผมก็จะเหมือนต้องแบ่งเป็นสองขาวว่าจะไปทางไหนกันแน่ช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ปล่อยปล่อยแล้วดูยอมให้มันเสียดแทงแล้วก็ดูไปปล่อยแล้วดูขอบพระคุณครับปัญหานี้อลวพ่อเคยสงสัยอยู่ยี่สิบกว่าปีเลาจะดูตัวนี้หรือจะดูตัวนี้ หลวงปู่ดูลยบอกว่าดูจิตจิตมันน่าจะตัวนี้เป็นคนดูอยู่ข้างบนใช่มเพราพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกไอ้ตัวเนี้ทุกครับทาไมหลวงปู่ดูลสอนขัดเกลือพระพุทธเจ้านยสงสัยนะสงสัยตั้งแต่หลวงปู่ยังอยู่แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าหลวงปู่ไม่ผิดหรอกหลวงปู่ดูสะอาดหมดโจดมากเลยลปัญญาแตกชานมากเราไม่เข้าใจตรงไหนทําไมเราไม่สามารถ เข้าใจคำสอนของหลวงปู่กับพระพุทธเจ้านะไม่กลืนเปน็นอันเดียวกันได้หลวงปู่ให้ดูจิตจิตอยู่นี่พูุทธเจ้าให้รู้ทุกทุกอยู่นี่จะดูตัวไหนขยับจะถามหลวงปู่นะเอาไว้ดูเองถามซะทุกเรื่องมันก็ไม่มีกันบ้านไว้ดูเองนะจนหลวงปู่มรณภาพไปหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพูเทศเรียนกับหลวงปูเทศนะก็ขยับจะถามนะ เอาไว้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเอาไว้ดูก่อนเจ้าทังหลวงปู่เทศมรณภาพหลวงพ่อก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิมเขาว่าอยู่หมายถึงว่าไปเรียนกับท่านนะแล้วก็คล้ายๆฝากชีพิตไว้กับท่านนะท่านชี้เป็นชี้ตายกับเราะมันพ่อจะมีอยู่องค์หนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ชีข้ขาดเราจากหลวงปู่โดนไปหลวงปู่เทศจากหลวงปู่เทศไปหลวงปู่สิม ขยับจะถามหลวงปู่สิมเอาไว้ดูก่อนนะถามไปหมดเลยแล้วไม่ได้ดูด้วยตัวเองเนี่หลวงพ่อขยับจะถามมาเรื่อยๆนะผ่านครูบาอาจารย์มาเป็นจนํานวนมากจนองสุดท้ายหลวงปูส่สุวัตสุวนะัจโะขยับจะถามท่านก็เอาไว้ดูก่อนนี่จนสิ้นครูบาอาจารย์ไปตอนนั้นมาบวชแล้วนะตอนไปหาหลวงปู่สุวัตครั้งสุดท้ายเนี่นั่นพรรษาที่หนึ่ง กไ็ไว้ดูเองไม่ดูเองก็ดูไปจนวันหนึ่งเข้าใจนะที่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกะก็ถูกต้องที่หลวงปู่ ด, ดินบอกให้ดูจิตก็ถูกต้องเพราะอะไรจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะั้นที่ท่านสอนนะท่านสอนอันเดียวกันแล้วแหละรู้ทุกให้แจ่มแจ้งหลวงปู่ ด, ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมครคนี้ท่านพูดแบบแบบปิดปิดไม่หน่อย ถ้าพูดเต็มภูมิเมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอาราหัตตะมะักนะงั้นก่อนที่จะมาถึงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมันเห็นรูปนามอื่นๆก่อนนะเห็นกายเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางสุดท้ายมันจะเข้ามาที่จิตการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าจิตนั่นแหะคือตัวทุกข์ไนอะ้ตัวนี้ไม่ใช่จิตหรอกนะตัวนี้เป็นตัวสังขาร แล้วก็หมุนวนอย่างเงี้ยสังขารก็คือตัวพบตัววัตตะหมุนอย่างเงี้ยจิตเป็นคนรู้คนดูแต่อยู่ๆเราไปดูตัวจิตมันจะว่างๆถ้ามาดูตัวนี้จะเห็นแต่ทุกข์แล้วจะทำยังไงดีไปคิดเราเองต้องแก้ไขอะไรไหมครับคำว่าแก้ไม่มีในวิปัสสนากรรมฐานนะ ทำให้แก้อยู่ในสมถะกรรมฐานนจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบวิปัสสนาจิตไม่ดีรู้วไม่ดีจิตไม่สุขรู้วไม่สุขจิตไม่สงบรู้วไม่สงบไม่เหมือนกันไปทําเอาเราฉลาดนะมีบุญในทางธรรมนะเราอะขอบพระคุณครับ ขอบคุณทำไมขอบคุณตัวเองสิงตัวเองสร้างมาเนี่ยเคยชินชาวโลกเขาคุยกันอย่างนี้นะเขาเรียกว่าย่อกันเราต้องขอบคุณที่ยอ่ออันนี้เราฝึกของเรามาเรามีของเก่าของเราดี <ล>ออนามัสรรการหลวงพ่อค่ะติดติดเพ้งอะค่ะเวลานะติดเพ้งอะค่ะ เ, ออเวลาเวลานอนเวลาจะนอนน่ะพอนึกถึงว่าจะให้รู้ถึกตัวเนี่ยมันนอนไม่หลับเวลาหลอกตั้งใจภาวนามจะไปหลับได้ไงล่ะมก็อยู่ได้ทั้งคืนเหละถ้าอยากหลับก็ต้องใหม่องคาถาไป หลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างไปท่องนี้นะน้านเดียวก็หลับแล้วถ้าเกิดไม่หลับล่ะ mm. ก็ไม่เห็นแปลกก็บอกแล้ววาเนีนะ้ไม่หลับก็ช่าง <laughs> <laughs> ไปฝึกเอาไปค่อยคฝึกไปใจมันสงสยัยรือว่าสงสยัย ใจมันกังวลรู้มันกังวลใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงเวลานอนก็อย่าไปเร้าความรู้สึกตัวให้แรงนักเดี๋ยวมันไม่นอนถึงเวลานอนก็นทำใจสบายๆ บ, บริกรรมอะไรก็ได้สบายๆไปแต่อย่าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจมีสติมากก็ไม่หลับหรอกเป็นทุกคนนะ อยู่ข้างหลังเนี่ยไปข้างหลังนามัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อให้ไปดูตัวมานะอตาค่ะเห็นไหมก็เห็นมันอยู่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทำคำพูดแล้วก็รนั่นแหละดีฉลาดที่เห็นค่ะก็ตอนนี้ ที่ปฏิบัติก็คือใช้การดูสภาวะที่มันบีบคั้นมันแน่นแล้วก็มันคลายแล้วก็ใช้ใช้ดูหลงรู้ค่ะแค่นั้นก็ใช้ได้ดูอย่างนั้นแหละเจริญขึ้นแล้วล่ะรู้สึกไหมเราพัฒนาขึ้นค่ะไปทำต่อไปแต่อย่าอยากดีน ะ, ะถ้าอยากดีมันจะเสื่อมหมดหมดเลยค่ะ หลว ง, งพ่อคะขออีกคําถามหนึ่งได้ไหมคะมคือครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าจิตยังติดนิ่งติดเฉยคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้มันหลุดตอนนี้มันก็ไม่นิ่งไม่เฉยแล้วนี่มันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้แล้วนะค่ะไม่ต้องไปคิดถึงมันเป็นอนดีตไปแล้วแล้วดูปัจจุบันไปเรื่อยๆวันนี้สมาธิยังพออยู่ไหมคะหลวงพ่ออะไรนะสมาธิยังพออยู่ไหมคะ่ะขาดนิดนึงค่ะ ัห ม, มันฟุงเล็กๆค่ะกับเรืวัฏสการครับหลวงพ่อผมปฏิบัติได้ประมาณ3าปีแล้วครับแต่ว่าก็คือช่วงช่วงจังหวะ น, นี้นะครับโมหะค่อนข้างไปเยอะครับแล้วก็เมื่อสองเดือนก่อนผมฟังคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่มาส่งกันบ้านเรื่องการเจริญการเจริญปัญญาในในชานนะครับผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อช่วงแรกนะครับผม ก็เข้ามาทางนั้นแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เดินทางทางชาแล้วครับครับเป็นเป็นพอเลยนะครับบางทีพอไปเจริญปัญญานะแล้วมันเบื่อสมาธิก็มีนะพอทําเดินปัญญาเป็นเนี่ยทิ้งสมาธิไปเลยแต่ทิ้งไปไม่ดีนะถือเวลาเราก็ควรจะทำํำจะได้ใจจะได้มีกําลังได้พักผ่อนอย่าทิ้งสมาธิ ที่คุณฝึกนะก็ใช้ได้นะไปสังเกตดูถ้าใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจสงบรู้ว่าสงบนะเร้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆแล้วก็ที่หลวงพ่อเคยเทศนาว่าสาเหตุที่การตกจากจากชั้นที่สี่อะครับก็คือติดเมื่อมันสัมผัสความความสุขนะเน่อมออีมีทางไหนบ้างครับที่ไม่ต้องตกจากชั้นที่สี่ไม่มี เพราะฌานเป็นโลกียะฌานไม่เชี่ยงเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะเพราะฉั้นไม่มีหรอกฌานถาวรขนาดเข้าฌานสี่หรือเข้าฌานแปดได้ตายแล้วเป็นพรมชั้นสูงนะเป็นรูปปพมชั้นสูงสุดมือปเป็นเป็นอรูปปรพรมสุดท้ายก็ตายปเป็นพรมชั้นไหนสุดท้ายก็ตายฌานเสื่อม เงื่อนชานเลยไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยแต่เป็นเครื่องมืออย่างเราทำสมาธิเราเข้าชานได้นะบางคนไปเดินปัญญาในชานบางคนเข้าชานแล้วออกจากชานมาจเจริญปัญญาใจจะมีกําลังมากมีความสดชื่นจะสดชื่นกว่าพวกที่เดินปัญญารวดไปโดยไม่มีชานพวกนั้นจะแห้งแงรงงั้นถ้าเราทําชานได้เราก็ทำํำแต่เราไม่ติดเท่านั้นเอง ครับ ช, ช่องแรกเนี่ยการเจริญบัญชามันเหมือนกินกิ น, กนข้าวอิ่ ม, มครับแต่ช่วงหลังเหมือนกินข้าวไม่อิ่ ม, มครับแล้วก็อืออยากกินเยอะๆหรือครับแล้วก็ถามส ว, ว่าวัดธรรมเมื่อวันที่ห้าเดือนก่อนนะครับเอผมมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อวัดวัดบ้านแหล ม, มครับเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็ปกติครับแต่ว่าพอกราบครั้งที่สองเนี่ย เ, เห็นจิดมาร้องไห้ครับหลวงพ่อ ผมดูปีติแล้วมันไม่เห็นครับก็เลยอยากทาเราก็แค่รู้สภาวะนะสภาวะใดเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็ดับไปดูแค่นี้พอละไม่ต้องคนคว้าหาเหตุหาผลเดี๋ยวมันฟุง้งครับ อ, อย่างบางที่บางคนเราสัมผัสบางคนบางสถานที่วัตถุบางอย่างอย่างพระพุทธรูปองค์นี้อะไรเงี้ยใจมันสะเทือนมันตื้นตันขึ้นมาคะ้ายๆในอดีตมันเคยสัมผัสกันมา คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลวพ่อไ ม, ไม่แนะนำให้สนใจใพวกนี้นะเสียเวลาแล้วค่อยเ่านาเดี๋ยวเราก็รู้เองเลยขอบกันบ้านไม่ทำต่อไปสมาธิก็ไม่ทิ้งสงบหรือไม่สงบก็ช่างถึงเวลาก็ปฏิบัติแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยจเจริญสติในชีวิตประจำวันดูความเปลี่ยนแปลงไป อยู่ท้ายห้องนั้นกาบนรมาสการครับกับผมภาวนาดูดการกระเทือนของใจนะครับมันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนอย่างเงี้ยครับเห็นทุกไหมยอะไรนะครับเห็นทุกไหมเห็นครับอืพอดีนอนมันไม่มีอะไรกระเทือนนะครับมัน เห็นหัวใจเต้นนะเหมือนอยู่ในถังใหญ่ๆแล้วมีคนเคาะดังๆอมันเป็นทุกข์และทีนี้จิตมันถอนนะครับใจผมก็เลยไม่ไม่เดินต่อเลยครับก็ทำอีกเจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไรแต่ทำสม่ำเสมอครับครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุทธนะพระพุทธฐานิโยท่านเคยเล่าฝังว่ากลางคืนท่านนอนอยู่เนี่ยท่านเห็นหัวใจตัวเองนะเต้นตุบ ทบๆบอกท่านดูอย่างนี้ทั้งคืนเลยท่านก็ได้สมาธินะระั้นเราก็ไม่มีอะไรดูก็ดูหัวใจเต้นไปดีกว่าไม่เต้นครับครับอดูไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับครับก็นมัสการหลวงพ่อครับอยู่ไหนอยู่ไหนยกมืออับก็อันนี้เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับอืมก็เอ่อตอนปฏิบัติ ใช่วิธีปฏิบัติแบบดูร่างกายหายใจครับแล้วพอดูไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันง่วงอ่ะใช่ก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่ามีวิธีแก้ย่งไรลุกขึ้นเดินครับเคลื่อนไหวแล้วที่ทําอยู่อันนี้นี่ถูกไหมครับถูกถิตดีขึ้นรู้สึกตัวไหมรู้สึกครับนั่นแหละมันพัฒนาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากลางวันเราฟุ้งซ่านมากแล้วเราไปนั่งหายใจก่อนนอนอะไรนมันจะหลับครับ อันนั้นร่างกามันต้องการพักจิตมันก็เหนื่อยอจิตก็อยากพักไม่ได้ครับ น, นี่ในชีวิตประจำํำวันนะี้เราซอยชีวิตเราเป็นช่วงเล็กๆอย่างแต่ละชั่วโมงนะถ้าเบรกตัวเองได้สักห้า น, นาทีภาวนาอะไรเงี้ยเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆมีจังหวะเมื่อไหร่ก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆไปนั่งภาวนากัางคืนไม่ค่อยหลับหรอกใจมันได้พักอยู่ตลอดปันอยู่แล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตคุณดีขึ้นเยอะเลย เราก็รู้ได้ด้วยตัวเองส่งใหม่มาส่งใหม่มาข้างหน้าสุดเลยไป่หมดเวลาพอดีคุณเนี่ยหลวงพ่อสวจจันบ้านให้ไม่ต้องเสียเวลาถามแล้วนะมันหมดเวลาแล้วยังเพ่งอยู่ยังบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่นะ ปล่อยให้มันเคลื่นไหวให้มันทำงานไปนะอย่าไปทำจิตดูออกไหมอุตส่าห์ทำให้ดนะูถ้าติดอยู่ตรงนี้ก็ติดทั้งชาติเลยมันะติดสมถะติดเพลงปล่อยให้มันทำงานให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้จิตใจเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ แล้วมีสติเท่า น, นั้นเองเชิญกลับบ้านไปหนุ่มแว่นั่งขยันหน่อยนะขยันภาวนามีเมียยังเอ่อไม่มีได้ก็บุญนนะ่ะ